คุณน้องคุณน้องส่งกันบ้านหน่อยคุณน้องใช่ดีแล้วล่วะจะได้สงบสุขปฏิบัติแล้วมีความสุขนะมันไม่เอาเรื่องกับใครหรอกเห็นแต่กิเลสของเราเองทั้งวันเลยกิเลสเกิดเยอะ ดูออกไหมไม่เป็นไรเอาตัวรอดก่อนนะเอาตัวรอดก่อนแล้วให้ช่วยคนอื่นทีหลังคนสว่างเป็นไงโอ้ดีเออเออ ด, ดีนะดีดีน่ต้องอย่างนั้นสิ ให้เป็นนักปฏิบัติหน่อยนะ <c oughs> เนาะไอตัวโกรธก็โรกโรธใจตัวรู้ก็รู้ไปนะมันไม่ใช่เราโรกรธละความโกรธเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมมาชั่วคราวาแจำได้จำได้ลูกศิษย์หลวงพออำ น, นาจ <c oughs> เป็นไงคุณแบบ็ควนา <c oughs> เป็นไงบ้างสติเกิดไหม เห็นกิเลสตั้งไหมเวลาอย่างเวลากโกรธอะไรเนี้ยรู้ไหมค่อยๆรู้ไปนะทีแรกเราก็รู้แต่ของหยาบๆก่อนต้องกโกรธแรงๆเรารู้อะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นเห็นมากเข้ามากข้าก็เห็นอีกไอ้ความโกรธความขัดใจอะไรเป็นแค่สิ่งที่แปลปลอมมาชั่วคราวนะไม่ใช่จิตใช่ใจแะไรของเราหรอก ตัวลงไปเลความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่เราใช่ไหมร่างกายที่กําลังพูดอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกขันห้ามค่อยกระจายออกไปกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นว่าไม่มีเราเป็นวิธีเรียนศาสนาพุทธนะเรียนด้วยกันแยกออกไปแยกกระจายกระจายออกไปเรียกว่าวิพัฒชวิธีวิพัฒพอสาําเภาบรรยกาศช่อช้างวิพัฒชวิธี เป็นวิธีทำลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเพราะพระพุทธเจ้าสอนวิธีแยกแยะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกไปเนี่ยมีหลายแบบบางทีก็สอนเรื่องขันห้าเนี่ยสอนให้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นขันห้าวิธทีก็สอนเรื่องอายตนะสอนให้แยกตัวเราออกเป็นอายตนะหกบาทีก็สอนเรื่องธาตุธาตุสิบแปดให้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นธาตุ สมัยสอนให้แยกไว้หลายแบบนะจริตนิสัยคนก็ต่างกันอีกนะคนไหนที่ชอบดูจิตดูใจชอบเรื่องนามธรรมาทนะ่าจะสอนเรื่องขันห้าใหนะ้เพราะในขันห้ามีรูปหนึ่งเท่านั้นเองแต่มีนามทั้งสีนะ่นะถ้าคนไหนชอบเรื่องรูปปัตตมท่านจะสอนเรื่องอายตนะให้ในอายตนะหกเนี่ยเป็นรูปปัตตมตัวทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายนะมีใจอยู่อันเดียวเป็นะนามธรรมเสนหนึ่ง คนไหนชอบแตกฉานรอบรู้มากก็สอนเรื่องธาตุธาตุมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมปนกันอยู่เยอะแยะเลยก็ค่อยๆดูไปนะดูยังไงก็ได้ดูไปจนเห็นว่าตัวเราไม่มีเ ร, มมเราไม่มีร่างกายก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกุศลอะไรนี่ก็อีกอันหนึ่ง <S <S จิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อีกอันหนึ่งค่อยดูเรื่อยๆดูไป ดูจนเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งที่มาประกอบกันรูปธรรมนามธรรมไปย่อลงมาก็เหลือรูปกันามเหลือกายกับใจสองอันดูลงไปอันไหนก็ได้แล้วแต่สติจ ะ, ะระึกรู้ถ้าสติเระลึกรู้กาย<ม>จะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสติรารึกรู้จิตที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา<ม>เห็นนามธรรมอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปนะช่วงหลังๆมีคนดูได้เยอะนะดู มาฟังหลวงพ่อเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรมากกับฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดสังเกตจิตสังเกตใจไปนะส <c oughs> ติปัญญามันค่อยพัฒนาขึ้ น, นหลายคนมันมาเล่าให้ฟังหน้าฟังแต่ละวันแต่ละวันนะช่วงหลังๆมีเยอะ <c oughs> บางคนดูไปเรื่อยๆนะดูง่ายๆเลยเห็นแต่กายกต่ใจนี่ไม่ใช่ตัวเรานะ <c oughs> ร่างกายเคลื่อนไหวเออร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนไหว จิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์กุศลอกุศลเห็นแต่ว่านามธรร ม, ามเกิดแล้วมันก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นเลยไม่ใช่เราโกรธเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าใจไปรู้เข้ า, ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะดูอยู่อย่างนี้ตูอยู่ปีกว่ากว่าก็ อ, อาตัวรอดไปได้จริงๆไม่ได้มีอะไรลึกลับไม่ได้มีอะไรยากหรนะรู้กายรู้ใ จ, ใ, จให้มันตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอน รู้กายรู้ใจแล้วเห็นเป็นไตรลักษณหลายคนก็นมาเล่าว่าสติเกิดเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะแต่ร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกไหยจิตใจเคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็รู้สึกรู้เองสติเกิดขึ้นมาเองเกิดจนที่ยิบไปหมดเลยนะเกิดไปเกิดไตบางคนก็รู้สึกโอ้หน้าเบื่อหน่ายะความเบื่อหน่ายนี้ไม่เหมือนเบื่อหน่ายอย่างโรคๆนะ เบื่ออย่างโรคๆนี่ยเราเบื่ออันนึงเราอยากได้อีกอันหนึ่งถ้าเราเฝ้ารู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะนจะเบื่อทั้งหมดเลยเบื่อความปรุงแต่งนะไม่ใช่เบื่ออันหนึ่งชอบอันหนึ่งเห็นทุกอย่างน่าเบื่อหมดเลยนบางคนก็เห็นว่าโอ้มีแต่ทุกข์นะทุกข์รวนรุนมีแต่ของน่ากลัวเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยไม่มีที่พึ่งสักอันเดียวบางทีก็เห็นว่าแม้ทุกอย่างนี้ในโลกนี้แห้งแล้งนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ว่างปล่าค่อยๆรู้ไปพอถัดจากนั้นก็รู้ไปอีกรู้จนใจเป็นกลางกับสภาวะทั้งหมดใจเป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางรู้ว่าความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์มาก็ใจเป็นกลางมันมีปัญญารู้ว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวในสุดเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเลย สุทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งละเอียดทั้งภายในทั้งภายนอกนะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลนะใจจะเป็นกลางกับทุกทุ ก, ทกสภาวะใจเป็นกลางใจก็เลิกดินน้นรนนะเลิกสแสวงหาเลิกดินน้นรนก็เข้าถึงธรรมชาติล้วนๆเข้าถึงธรรมแท้ๆนะไม่ใช่ธรรมชาติเข้าถึงธรรมแท้ๆเลยนะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติเดียวยังมีความเกิดความดับอยู่ไม่ได้มีอะไรยากเลยอยู่ที่ขยันดูหน่อย ใหม่ๆ ม, มันไม่ยอมดูนะก็ฝืนๆดูมันไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าไปเพ่งเอาก็แล้วกันส่วนใหญ่ชอบไปถ้าไม่เผลอไปก็ไปเพ่งเอาไว้ดูออกไหมมีอยู่สองอย่างอ่ะไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่แค่นั้นนะหลวงพ่อสรุปออกมาว่าที่เป็นผิดมีสองอันเผลอัะเพ่งตอนนี้นยังอยู่ที่ลานธรรมยังไม่ได้บวชกรุบออกมานะกรุบสิ่งที่ผิดอ่ะ เมื่อพวกเราทําอะไรผิดบ้างเนาะกรุบกรุบออกมาอ้อมเหลือสองอันเลยดตะเพ่งหลังมาบวชแล้วมาค่อยๆมาดูอจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วแหละอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขขันธิการโโย่จิตมันหลงตามกิเลสหลงตามอารมณ์ไปแล้วเสลอไป น, นั่นเองอันหนึ่งก็บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเรียกอักตตะเรมาสถา น, นโยโยรู้สึกไป เสือล้วรู้เสือแล้วรู้นะใจจะค่อยๆตื่นขึ้นมาหลุดจักความปรุงแต่งเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงเป็นทุกข์ล้วนๆเลยดูไปคนไม่เคยจเจริญสติจะรู้สึกไม่ได้เลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์จะรู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมทุกข์บ้างสุขบ้างนะแล้วโยะโยะรู้สึกไงมั่งสุขอันเดียวหรือม <c oughs> ั่งหรือทุกข์อันเดียวไม่มีนะมีแต่รู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันทุกข์ลวนๆนย่าเรานั่งนะนั่งให้สบายใครชอบรู้กายก็นั่งให้มันสบายเลย <c oughs> นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งไปสักพักหนึ่งมันจะเมื่อยความทุกข์มันตามทันนะ <c oughs> ้นเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถแก้เมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกอีกแล้วเมื่อยอีกแล้วจะต้องขยับตัวอีกแก้เมื่อยอีกแล้ว ฝึกไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปยืนเดี๋ยวต้องไปเดินนะกระทั่งนอนอยังเมื่อยเลยนะคนหนึ่งคนหนึ่งนอนคืนหนึ่งเนี่ยพลิกตัวสี่สิห้าสิบครั้งเลยนะเนะพราะมันเมื่อยความทุกข์มันบีบคั้นร่างกายนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยเราจะค่อยๆรู้สึกไปโอ้ทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์มากกับทุกข์น้อยความทุกข์มันก็มีแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะถ้านไม่ไหวก็เปลี่ยนอธิยาบทไปเดี๋ยวความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกละ มันแค่ๆเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อนะวิ่งไปแล้วมันก็ไล่กัดไปเรื่อยๆในสวนเห็นแล้วว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยเนีย่ยจะล่างความเห็นผิดว่ากายนี้สุขบ้างทุกบ้างมันดูที่จิตที่ใจเห็นนะมีแต่ความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้เลยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยนะมีแต่ต้องตะเกียบตะกายหนีความทุกข์ตะเกียบตะกายหาความสุขไปตลอดชีวิตเลย จะเฝ้ารู้อยู่ที่จิตใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้เห็นแต่การที่มันดิ้นรนจะหาความสุขดิ้นรนจะดีความทุกข์มีแต่ดิ้นไปเรื่อยๆนะมันน่าเหน็ดเหนื่อยที่สุดเลยน่าเบื่อหน่ายที่สุดเลยนะดูลงไปเรื่อยๆนะกรรมาฐานจริงๆทําอยู่ที่กายที่ใจนี่เองนะไม่ได้ทําที่อื่นหรอกรู้ไปจนแจง้งขึ้นมาโอ้กายไม่ทุกข์ร้อนร้อนจิตนี้ไม่เชื่ยงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราทํางานได้เอง ตัวเราไม่มีในโลกนี้ตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันปลอดภัยละชาตินี้ต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้นะแต่ละคนต้องตั้งเป้าอย่างต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้อย่าไป น, นึกว่ายากนะถ้านึกว่ายากนึกว่ายัางไงก็ไม่ได้นะใจมันท้อแท้ไม่กล้าสูนะ้ถ้าไม่รู้วิธีระ ย, ยากแน่นอนเลยถ้ารู้วิธีไม่ยากเท่าไหร่ อยากรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพระสวดาบันนะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเราก็ต้องลาความเห็นผิดตัวนี้ให้ได้ก็ได้เป็นพระสวดาบันอยากลากความเห็นผิดก็เห็นให้มันถูกซะสิรู้ลงไปว่ากายจริงๆเป็นตัวเราไหมใจจริงๆเป็นตัวเราไหมคอยรู้สึกลงไปรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจไม่มีทางเลือกที่สองให้ทํามากกว่านี้บางคนจะไปรู้มหาสุญญตาอะไรเหลวไหลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหลวไหลเข้าขั้นเหลวไหลเลย อยู่ๆจะไปรู้มหาสุญญาตายไปรู้ความว่างเลยแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็จะไปรู้ความว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นไม่มีนะสุญญาตาลุปั ส, สนาสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีนะมีแต่เรื่องกายกับใจมาฟังหลงพ่อพูดก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้เองนะเรื่องว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเนี่ยเพื่อเพื่อพ้นทุกนะสิ่งที่เรียกว่าทุก็คือกายกับใจของเรา ความทุกข์อยู่ที่กายก็หันมาเผชิญหน้ามาันมาเรียนรู้กายความทุกข์อยู่ที่จิตใจหันมาเรียนรู้จิตใจรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจความจริงเอากายนี้ทุกแน่นอนนะกายนี้ห้ามไม่ให้ทุกไม่ได้หรอกมีกายแล้วต้องทุกแน่นอนแต่จิตใจเนี่ยไม่ทุกได้จิตใจเนี่ยไม่ทุกได้ความทุกทางใจมันเกิดจากใจเราไปคิดคิดนึกตรุงแต่งไปไปอยากไปยึดก็ไปทุก คอยสังเกตใจเราเคลื่อนไหวใจเราทำงานทั้งวันรู้สึกไหมมานั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมจิตใจไม่หยุดการทำงานหรอกเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังฟังแล้วก็ไปคิดคิดไปคิดมาหลุดไปคิดเรื่องอื่นเลยก็มีนะคิดถึงบ้านไปเลยก็มีเนะี่ยดูใจนะเหนไหมหนีไปอย่างนั้นนะห้ามมันไม่ได้ดูไปจนกระทั่งเห็นความจริงก็ห้ามมันไม่ได้นะ จิตใจนี้เคลื่อนไหวจิต ใ, ใจเปลี่ยนแปลงจิต ใ, ใจทำงานทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เอาใครเก่งนะลองมองหน้าหลวงพ่ออย่างเดียวโดยไม่คิดได้ไห ม, ไมลองทดลองดูมองโดยไม่คิดได้ไหมได้เหมือนกันถ้าใช้วิธีเพ่งเอาไว้นะทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเพ่งนี่นะเป็นศัตรูหมายเลขสองนะทาให้เราไม่เห็นไตรักษณ์ คุณนี่ยนีไคิดแล้วรู้สึกไหมคุณผู้ชายนะที่ถัดจากผู้หญิงเสื้อเหลืองไปสมโพงเป็นไงโอ้ดีอย่าให้มันขึ้นอย่างเดียวนะให้มันขึ้นขึ้ น, นลงลงกัการปฏิบัตินะมีได้ขึ้นขึ้ น, นลงๆนั่นแหละถูกแล้วกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงฟูขึ้นแฟบลงดีแล้วก็ร้ายร้ายแล้วก็ดีสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขดูเพื่อให้เห็นอย่างนี้แหละ ไม่ได้ดูเพื่อเข้าไปแทรกแสงนะไม่ได้ดูเพื่อแทกแสงโยเป็นไงโยกาารรูว่้ววรรญญไม่ใช่อ่ะันนี้ยรู้ถูกต้องแล้วนะคือการดูจิตเนี่ยดูลงปัจจุบันแท้ๆไม่ได้ดูลงปัจจุบันขณะไม่ได้นะเพราะว่าขณะจิตที่เผลอไปเนี่ยเป็นอกุศลสติจะไม่มี การดูจิตนี่ไม่ใช่ดูลงเป็นปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าปัจจุบันสันติคือดูอย่างต่อเนื่องกับปัจจุบันเราจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้เผลอไปจิตดวงนี้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอเสร็จแล้วก็จะมีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวะจะไล่าตามหลังตามหลังไปเรื่อยๆไม่ว่าตามรู้นะตามรู้ไปไม่เหมือนการรู้รูปนะการรู้รูปลงปัจจุบันเลยดูลงปัจจุบันอย่างนเนี่ย กำลังเคลื่อนไหวมือนะอย่าคุณหมอคำพลขยับแบบหลวงพ่อเทียนขยับจะเห็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหวรูปเนี้ยดูลงปัจจุบันนะแต่นา ม, มาทำเนี่ยดูตามหลังเนี่ยรูปกับนามดูไม่เหมือนกันทําไมนา ม, มาทำต้องดูตามหลังเพราะนา ม, มาทำดูลงปัจจุบันไม่ได้จิตมันเกิดชั่วขณะ้มันก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วในขณะที่รูปนี้อายุยืนรูปอย่างอายุยืน รูปอายุยืนกว่าจิตเยอะเลยหนีไปแล้วรู้สึกไหมอ้าส่งกันบ้านอาเดี๋ยวโยเสร็จหรือยังก็ปฏิบัติในตัวพอรู้ตัวขึ้นมามันเข้าใจกปฏิบัติอ่าจะรู้ตัวขึ้นมาก็จะเห็นเลยจิตเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้ขึ้นมานะจะเห็นเลยจิตที่เผลอตอนนี้ดับไปแล้วดูจิต ด, ดูอย่างนี้นะดูตามหลังไปต่ต้องตามแบบติดๆไปไม่ใช่เมื่อวานเผลอวันนี้รู้ไม่ได้นะ เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ได้เนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมรู้อย่างเนี้ยรู้ตามหลังไปก่อนจะรู้อย่าไปดักไว้นะก่อนจะรู้ห้ามไปดักไว้ก่อนไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนไปรอรู้รอรู้ไม่ได้นะคำมี้ปรัสนาอย่าไปรอรู้อย่าไปจ้องเอาไว้ก่อนร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้สึกจิตเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้สึกเะาระหว่างรู้ก็อย่าถลําลงไปนอนแช่ ส่วนใหญ่พอไปรู้อะไรก็จะถลำลงไปแช่อยู่กับอันนั้นอะไปรู้ลมหายใจก็ส่งใจก็ไปแช่ไว้ที่ลมหายใจไปรู้มือก็ไปแช่ไว้ที่มือไปรู้เท้าก็แช่ที่เท้าไปรู้ท้องก็เข้าไปแช่ที่ท้องอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ใจถลำเข้าไปใจไม่ตั้งมั่นใจไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นปัญญามันไม่เกิอดออก ไ, ได้แต่เพ่งกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์ทางตำลังเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะ ยังไปดูท้องพองยุบแล้วถ้าไปเพ่งท้องเข้าเนี่ยเป็นสมถะขยับมือแล้วไปเพ่งมือเข้าเนี่ยเป็นสมถะตัววิปัสสนาะจะรู้ลักษณะไม่ใช่รู้ตัวอารมณ์จะรู้ลักษณะเีย่ยจะรู้สึกเลยว่าไอตัวที่กําลังเคลื่อนมือตัวที่กําลังไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราสิ่งบางสิ่งมันเคลื่อนไหวอยู่สิ่งบางสิ่งมันพยักหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้านั่งจ้องแล้วแล้วก็พยักหน้าจ้องใจจะทืท่อ นี่ไม่ใช่ของจริงหรอกนี่นระหว่างรู้นะอย่าถลำลงไปแช่ก่อนรู้อย่าไปอยากรู้พออยากรู้แล้วจะไปดักดูไว้ก่อนนะรอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะระหว่างรู้ไม่ถลำเข้าไปแชร่รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแสงเนะี่ยมีสามสเต็ปนะพอรู้แล้วชอบแทรกแสงเช่นพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นกับพุโทโธพุโทโธจะให้หายโกรธเนี่ยนึกโกรธน้อโกรธน้อเพื่อจะให้หายโกรธอย่างนี้เป็นสมถะนะแต่บางสำนัก อาจารย์ท่านก็สอนดีเหมือนกันนะโกรธน้อโกรธนอเพื่อเตือนให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกําลังปรากฏเออย่างนี้ยังพอใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ถ้าโกรธน้อโกรธนอเพื่อให้หายโกรธนี่เป็นสมถะนะแต่ตว่าเตือนถึงเตือนตัวเองนะว่าความโกรธกําลังปรากฏแต่ตรงที่กําลังบริกรรมอยู่นะั้นอะตกจากปัจจุบันแลนะ้ตกจากการรู้ปัจจุบันนะเป็นการคิดนะ้วนเะบื้องต้นจะ็กคิดก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องปล่อยกับโยนมันทิ้งไป เป็นอุบายใจโยเป็นยังไงใจโยดีนะตอนนี้ดีทั้งสองคนนะนะโยดีใช้ได้ละโยอย่าไปทำอะไรแผลงแผลงขึ้นมาอีกนะพอดีขึ้นเมื่อไหร่นะจะต้องเป็นอุตริทำอะไรแปลกแปลกนะถ้าก่อนไปทำอะไรนะไปอ่านเว้ยหลัง่วงโปแล้วไปทำไไปดูสุญญาตาเนียนก็เละเลยรู้กายรู้ใจไป นี่มาจากไหนยมผูโฤโฤ้หญิงเนี่ยเราเคยฝึกมาไหมฝึกยังไงฝึกไปฝึกให้ได้สตินะส่วนมากเราไปฝึกออกรูปแบบมากไปเ <c oughs> ช่นเราเดินน่ะสวยแล้วเดินถูกตำลาเป๊ะเลยแต่จิตนี้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้หรือเดินไปแล้วนะเพ่งรูปเดียวเลย ส่วนใหญ่จะเดินเพ่งเอาใจจะไปอยู่ที่เท้าเนะี่ยพอดูท้องก็ใจไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งการเพ่งตัวอารมณ์ันเป็นสมถะเพ่งไปเพ่งมาเดี๋ยวเกิดปีติเกิดอะไรขึ้นมาจิตมันคลิกเป็นสมถะถ้าถ้าคำนีปรัสนาเนี่ยนะอย่างเราเดินอยู่เนี่ยเราจะเห็นรูปมันเดินนะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกไอ้ตัวที่เดินเนี่ยใจอย่าสบายๆใจต้องอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะถ้ารู้สึกใจแข็งๆทื่อๆเมื่อไหร่นะผิดแน่นอน จิตที่แข็งจิตที่ชื่อจิตที่หนักจิต ท, ที่แน่นนอกุศลจิตนะจิตที่รู้จิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายค่อยๆดูไปนะหีไปคิดแล้วทราบไหมลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมขนะเนี้ยมไม่ได้ฝึกไม่ให้ลืมนะฝึกว่าพ้ามันลืมแล้วก็รีบรู้ไวไวไใยใยเลยใจหนีไปคิดทราบไหมไหลแวบบแวบอบย่าแงบบเรี่ย คอยรู้นะรู้ไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าฝึกอย่างที่อัตมาสอนเนี่ยนะเหมือนไลกระบวนท่าจริงจับหลักได้แล้วใช้กระบวนท่าอะไรก็ได้หมดเลยนะกรรมฐานอะไรจับเข้ามาก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยขอให้เป็นกรรมฐานที่รู้กายรู้ใจก็แล้วกันนะใช้ได้หมดเลยเพราะว่าถ้ามีสติแล้วไป ร, รู้กายรู้ใจนะจะรู้รู้แบบไหนก็ได้นะสำนักไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลย ถ้าจับหลักไม่ได้มันก็ไปเพ่งเหมือนๆกันหมดอีกแหละนะไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจนะไปดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าเพ่งเท้าขยับมือไปเพ่งมือเหมือนกันหมดอีกรู้อิทิยาบทสีนะ่้วเพ่งมันทั้งกายเลยเพ่งทั้งตัวเลยตัวทื่อๆคอยจ้องรอให้มันเมื่อยแล้วรอดูว่าเมื่อไหร่จะขยับอะไรเงีย้ยะก่อนจะขยับก็ต้องคิดก่อนนะทําไมต้องขยับอันนี้เป็นอุบายทั้งหมดเลยนะไม่ใช่หลักถ้าหลักก็คือเห็นรูปมันถูกรู้ถูกดูอยู่ ตอนนี้หนีไปคิดซับไหมทำให้สบายนะเริ่มไม่สบายแล้วจริงจังเยอะไป<ม>ดูสบายสบายดูเล่นเล่นไปอสองพี่น้องนี่เป็นไงเออนั่นสติมันเริ่มเกิดละนะมันเกิดเองรู้สึกไหมมันเห็นเอง อืมนะเราไม่ห้ามมันหรอกมันไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบนะยดีแล้วฝึกได้ดีแลเห็นไหมว่าจิตใจเราเป็นของเปลี่ยนแปลงทั้งวันเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้นะดูไปดูไปเรื่อยๆจะเห็นมันทํางานเองนะไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีอืมอืม พ อ, อธรรมดาช่วงเช้าเช้าตื่นตอนใหม่ๆนะโมหะมันจะเยอะนะกลางวันหน่อยก็โทสะจะเยอะคัมคัมวราคะจะเยอะเนะขาแบ่งงานกันทํานะหลักๆทําเป็นช่วงๆไปพอตกเย็นเลิกงานแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะทําแล้วนะสบายอกสบายใจราคะมาลนะกลางวันต้องซัดกับคนทั้งวันนะโทสะมันก็เยอะอย่างคุณน้องโทสะเยอะนี่โทสะจริตโทสะดีนะ พวกโสดาจรินปัญญากล้าดีลวะวนะสองพี่น้องใช้ได้แล้ว่ะสติมันเกิดแล้วนะอเออเลยอ่อย่าถามเยอะหนะ้าธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการถามธรรมะเรียนได้ด้วยการรู้เอาเองอุปนัยโกน้อมกลับมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วก็ปัจจิตตังเวทิสโพวินยูหิวินยูชนรู้เองไม่ต้องถามใคร เอาให้ถามได้เล็กน้อยถามมากขี้เกียจตอบตอนที่เขาม า, า ม, มันมีจิตมันพุ่งขึ้นมาแบ ม, มาแต่ว่ามันมออแล้วไงล่ะอย่าไปใส่ใจกับมันอาการของจิตนี่นะมีไม่มีประมาณนับไม่ถ้วนอาการของจิตเนี่ยอย่าไปเชื่อถือมัน อะไรเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นให่จับหลักให้แม่นแมนะ่นเห็นไหมมันเกิดขึ้นมาฟู่ขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คืออาการทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่ใช่อยู่ที่ตัวอาการ ต, ตัวอาการอะไรก็ได้นะไม่น่าสนใจตัวอาการแต่ตัวลักษณะที่มันแสดงให้ดูเนยะตัวน่าสนใจรูนะ้สึกไหมมันเกิดฟู่ขึ้นมาแล้วก็หายไปนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูให้เห็นเกิดแล้วก็ดับไป ยังนะสักกยายทิถียังไม่ขาดนะยังไม่ได้สวดาน ะ, ะนี่ล่ะอะไรนะชาดสีมันมีแบบนู้ตัวกับไม่นี้ชาดสต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติไม่เรียกชาดหรอกขาดสตินจิตเป็นอกุศลสมรูปฟักเนี่ยจิตมันดับของคุณไม่ได้เป็นสมรูปฟัก เต่ถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้พรมลุกปักได้ออาามันมขาดสติมันดับดับความรู้สึกติดลงผวางไปเวลาติดตั้งมั่งมันมีนมนมแบบรู้อารมณ์เดียวกับแบบ ม, มีเวลามันต้องการพักผ่อนแล้วมันก็ตั้งมั่งรู้่ารมมันเดียวนะก็อยู่ในฌานเฉย อยู่พอสมควรแล้วเนี่ยมันจะเดินสติเดินปัญญาของมันเนยเห็นอารมณ์ภายในนี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างไหนเกิดแลดับเกิดระดับดูอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอะไรนะอันหนึ่งเป็นสมถะอันนึงไปเดินปัญญาอยู่คนละหันกันแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดแต่ละแบบแต่ละแบบนะอันแรกเกิดจากการไปเพ่งไว้น้อมใจเข้าหาความสงบอันที่สองเนี่ยเกิดจากการที่เราไปฝึกดูจิตใจตนเองอยู่ เรเคยฝึกอยู่ข้างนอกเนี่ยพอจิตรวมเข้าไปนะแต่ไม่ถึงอัปปนานะอัปปนาแล้วนิ่งรวมลงไปครึ่งครึ่งกลางกลาเนี่ยจะเห็นอ น, นุนเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไหวไหวอยู่ข้างในะอันนี้เคยฝึกดูอยู่ก็จะดูเป็นนะถ้าไม่เคยฝึกดูก็จะไม่ชอบตรงเนี้ยอยากข้ามมันไปหาความสงบอย่างเดียวแต่เวลาที่เราดูจิตอยู่เนี่ยจิตจะสลับกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เข้าไปรวมนิ่งลงไปพักถอนเนี่ยถอยขึ้นนิดนึงแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวข้างใน ทำได้ทั้งสองงานหนึ่งก็เป็นที่พักผ่อนใช้ได้แทนเมตามเมตาเหรอแผนเมตตาอันแรกเลยต้องมีเมตตาให้แผ่ก่อนเไนะม่อนจแผ่ส่วนบุญต้องมีบุญให้แผ่ก่อนนะเพราะฉะนั้นทําใจเนี้ให้มันมีความอ่อนโยนคําว่าเมตตาเนี่ยเป็นคําที่เรียกอะไรมีไวโพ์มีคําที่ใกล้เคียงกะนะันอยู่หลายตัว คือคำว่าไมตรีคำว่าไมตรีคำว่ามิตรแล้วแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรแผ่ความมีไมตรีจิตต่ อ, อ ก, กันนะนะมีความเมตตาปรารถนาดีต่ อ, อ ก, กันเป็นสัพท์เดียวกันนะรวมกันทั้งเมตไตรที่ชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปเพราะงั้นก่อนอื่นในะใจเราต้องมีเมตาก่อนงั้นเวลาจะแผ่เมตตาเนี่ยปกติเขาจะให้แผ่ตัวเองก่อนทําไมแผ่ให้ตัวเองก่อนเพราะเรารักตัวเองมากที่สุดเลย เรามากเมตตาตัวเองมากที่สุดเลยนะพอแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็แผ่ให้คนที่เราพอใจคนที่เรารักคนที่ใกล้ๆตัวอะไรเนี่ยแล้ค่อยกระจายออกไปแต่ถ้าชำนี้ชํานาญนะถ้าใจมันนึกถึงธรรมะนึกถึงใจมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเนี่ยแค่นึกถึงใครคนนั้นถ้าเขารับได้เขาก็มีความสุขละเขากระแสของความเป็นมิตรเ่มันจะแผ่ออกไป จริงๆไม่ใช่เรื่องประหลาด น, นะจริงๆแต่และคนเนี่ยแผ่พลังงานออกมาตลอดเวลานบางคนเคยรู้สึกไหมเราเข้าใกล้คนบางคนแล้วอยากจะถอยออกมาห่างๆเพราะกระแสมันผลักถ้ า, ถ, าถ้าถูกกระแสผลักแล้ว ย, ยังไม่ออกมาเดี๋ยวก็ถูกมือถูกเท้าก็ผลักออกมากับบางคนเนี่ยเราอยากอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขอย่างบางคนไปนั่งที่ไหนนะหมาชอบมานะ มาชมานอนใกล้ๆอะไรจนะมีมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในเรื่องไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไร น, นักหรอกนะก็พยายามทําความรู้สึกให้อ่อนโยนให้เป็นมิตรกับคนอื่นกับสิ่งอื่นๆกับสิ่งแวดล้อมนะทั้งคนทั้งสัตว์ทธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยอ่อนโยนกับมันไม่ก้าวราวรุกรานฝึกไปเรื่อยๆใจมันจะนุ่มนวลมีความสุขถ้ามองใครก็มองอย่างเป็นศัตรูนะแล้วก็ปากว่า สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะพูดไปกัดฟันกรอดๆนะสัตว์อะไรมันก็ไม่สุขหรอกนะมีกันนะแผ่ส่วนบุญคนละอันกันอนะ่ะแผ่ส่วนบุญหมายถึงว่าจิตใจเรามีบุญแล้วเหมือนเราจะให้เงินคนอื่นนะเราต้องมีเงินก่อนนะแผ่เมตตาเราก็ต้องมีเมตตานะแผ่ส่วนบุญเราต้องมีบุญก่อนนะบุญมีทั้งสิบอย่างนะการทําทานถือศีลภาวนาเนี่ย การช่วยเหลือในกิจการที่เป็นประโยชน์อย่างไปช่วยป้อเต็กตึงอะไรเงี้ยสมมุตินะช่วยถึงที่เป็นประโยชน์การฟังทำการแสดงทำเนะี่ยการอนุโมทนาบุญคนอื่นการแผ่ส่วนบุญให้คนอื่นเนี่ยบุญทั้งนั้นในบุญมีเยอะนะเราทําบุญแล้วเราก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีส่วนได้เสวยผลบุญของเราแต่ถ้าจะให้กับคนนะเราไปบอกเขานะ อย่างบางคนมาฟังทำจากหลวงพ่อแล้วรู้สึกจิตใจมีความสุขจิตใจเป็นบุญนึกถึงพ่อถึงแม่ขอให้พ่อแม่ได้รับส่วนบุญนี้ไม่ได้รับนะคนไม่ใช่สัตว์ตระกูลที่จะรับส่วนบุญเราก็ต้องไปบอกพ่อแม่เรานยว่าเราได้มาฟังธรรมเราได้พยายามอบรมตัวเองให้เป็นคนดีนะเป็นรูปที่ดีของพ่อแม่ด้วยพอพ่อแม่ชื่นอกชื่นใจปลอยยินดีปลอยยินดีที่เราได้เป็นคนดี เขาได้บุญบุญที่เกิดจากตัวเขาเองยินดีในสิ่งที่คนอื่นดนะีอย่างนี้เรียกบุญเกิดจากการอนุโมทนาอย่างเราจะแผ่ส่วนบุญให้เทวด า, าเทวดาไม่รับนะแต่เทวดาก็อนุโมทนาไปแผ่ส่วนบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยพ่อแม่ก็รับไม่ได้เ้าอนุโมทนาได้ไปแผ่ส่วนบุญให้หมาหมาไม่รับเลยนะไปบอกมันว่ารับส่วนบุญอนุโมทนานะหมาก็ไม่รู้เรื่องรับไม่ได้เลย ผูคที่จะรับส่วนบุญตรงๆมีแต่พวกเปรตพวกเปรตเย่างเราทำบุญถวายผ้าหรือแจกเสื้อผ้ากับคนยากจนออย่างเงี้ยนะเปรตมันจะปรับรื้มใจขึ้นมาเราอุทิศให้มันมันปลับรื้มใจมันรู้สึกมันได้เสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ยเราให้อาหารแล้วก็อุทิศให้เปรตก็รื้มใจรู้สึกว่าตัวเองได้อาหารเคยมีคนหนึ่งนะเปรตมาหน้าวัดแล้วก็ แผ่ส่วนบุญให้เปรตนึกใหญ่เลยเราทําบุญอะไรมาบ้างเนี่ยอ๋อได้ถวายอาหารเนี่ยเปรตปลื้มใจเปรตรู้สึกอิ่มขึ้นมามีเสื้อผ้าด้วยเปรตก็ปลื้มใจได้เสื้อผ้าแถมมีบุญจากยารักษาโรคด้วยเปรตเอายาวางไว้ที่หน้าวัดเลยไม่เอาไปนะบอกฉันไม่ได้เป็นโรค <c oughs> มันไม่เอาอันนี้อยู่ที่มันเอาด้วยนะเอมาหลอกหลวงพ่อคุยเรื่องอะไร เลยเรื่องข่าวหนาคุณหมอเป็นไงคุณหมอคุณหมอดีแล้วล่ะคุณหมอดูไปสติมันเกิดได้ละแต่พอเราติดเพ่งเราคิดว่าการปฏิบัติต้องทำยังไงถึงจะดีต้องทำยังไถงถึงจะถูกทำยังไงก็ผิดนะเพราะมันผิดตั้งแต่อยากจะทำแล้วดีแล้วคุณหมอดูเร่เรดีแล้วนะนี่ล่ะ ไม่ต้องลองเดินจงกลมไม่เคยเดินเลยเหรอแล้ว <c oughs> มาวัดได้ยังไงไม่เดินคลานมา <c oughs> คลานมาเหรอ <c oughs> จงกลมแปลว่าเดินนั่นแหละจงกลมแปลว่าก้าวไปนะนี <c oughs> ่นนะ้าก้าวไปอย่างมีสตินี่เรีกเป็นทงกลม <c oughs> ไปเดินมาแล้วเป็นไง <c oughs> เออดีดีด <c oughs> คือเราเดินเนี่ยเดินก็จะรู้ทันใจตัวเอง เดินไปเรื่อยๆเราเห็นเลยจิตเองฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านนะเดินไปแล้วจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งเดินไปแล้วจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนันช่วงนี้ดีแล้วล่ะที่ภาวนาอยู่ถูกต้องล่ะไปเดินอีกนะอย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจมันก็เรื่องเสื่อมนะรู้สึกั้มใจมันตื่นขึ้นมานะใจมันเป็นธรรมดาใจมันมีความสุขขึ้นมามันเบาๆาสบายอ๋อมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องเสื่อม เรงที่รู้สึกตัวอยู่แต่นี้รู้สึกได้ถูกต้องครับของคุณนี้ลหละเธอทั้งวันเหรอเธอเรางรีบรู้ให้ไหวๆนะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะเราก็หาอารมณ์มาหนึ่งมาล่อ ก, ก่อ น, นเช่นเราหัดพุดโทรพูดโทรไปก็ได้ พุทโธพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราใจเราหนีไกคิดก็รู้ทันนะพุทโธพุทโธหนีไปคิดอีกแล้วก็รู้ทันพุทโธไปแล้วมีความสุขก็รู้ทันพุทโธแล้วฟุ้งซ่านมีความทุกข์อะไรขึ้นมาก็รู้ทันนะฮะรวมมันหนึ่งมาล่อไว้ก่อนจะช่วยให้เรารู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นอัอนอออออนั้น ท, ทําพรากลัวจเะเผลอทํเพราะกลัวจะเผลอได้เสร็จสมถะ ลอาเอาใหม่สิลองหายใจไปเรื่อยๆชอบหายใจก็หายใจแต่หายใจเนี่ยลำบากนะเป็นกรรมฐานที่เล่นยากที่สุดเลยอนาปานสติเนี่ยเพราะทําแล้วมักจะพลิกเป็นสมถาสมุทรแต่ถ้าทําได้แล้วก็หายใจไปหายใจแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขมีปิติก็รู้ว่ามีปิติมีความสุขนะ หายใจแล้วใจเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางหายใจแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยางนั้นหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตนเองนะอย่างนี้ก็ใช้ได้เมืนะ่อถ้าชอบหายใจก็หายใจแต่ไม่ใช่หายใจออกสงบลนะหายใจเพื่อจะคอยรู้ทันใจนะใคล้ายเราเราเอาเหยื่ออันหนึ่งนะ<ม>เกี่ยวเบ็ดโยนลงน้ำไปเราไม่ไปนั่งจ้องอยู่ที่เบ็ดนะเวลาคนตกปลาเนี่ยเขาไม่ได้จ้องเบ็ดเขาจะดูว่าปลามาหรื อ, อยัง ปลาว่ายน้ํามาที่เบ็ดแล้วก็รู้ทันปลาไม่ยอมกินหนีไปที่อื่นก็รู้ทันดูดูเอาลมหายใจมาล่อก็ เ, เหมือนเป็นเบ็ดเป็นเหยื่อตกปลาจิตเราเป็นปลาคนไหนไม่ใช้ลมหายใจจะใช้พุทโธก็ได้จะดูท้องของยุบก็ได้นะจะขยับมืออย่างหลวงพ่เทียนก็ได้อ่านหนึ่งมาล่อขยับมือไปหรือดูท้องพองยุบไปหรือหายใจไปหรือพุทโธไปเนะ่ะจิตหนีไปคิด ร, รู้ว่าจิตนีไปคิด จิตเฟ่งรู้ว่าเฟ่งนะจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลครรู้มันก็คือการฝึกซ้อมที่จะรู้จิตตนเองเมื่อเราฝึกซ้อมรู้รจิตตนเองได้ชํนนนนานิชํานาญแล้วเราก็พร้อมที่จะมาเจริญสติในชีวิตประจําวันสนะุดที่จะแตกหักของนักปฏิบัติก็คือสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยนะไม่มีทางเลย ละ ว, วันหนึ่งจะไปเข้าปีหนึ่งไปเข้าพักสักกี่ครั้งไปเข้าวัดสักกี่ครั้งเวลาที่เหลือกิเลสเราไปกินหมดเลยงั้นเราจะต้องฝึกไม่ได้ในชีวิตประจำวันนี้แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะต้องรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราหรือ ร, ร, ร, รู้ทันร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปต้องคอยรู้สึกเรื่อยๆนถึงจะหลุดพ้นได้นี้มันจะมารู้ได้ชํชนานิชํานาญในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกฝึกซ้อมไว้ก่อนคล้ายๆนักมวยเหมือนกัน นักมวยจะเป็นแชมป์โลกได้นะมันต้องหัดชกกระสอบหัดอะไรเงี้ยมาก่อนนะคอยชกลูกบอลชกกระสอบอะไรไปเราก็เหมือนกันเราก็หัดด้วยการมีกะอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งดูท้องฟองยุบไปดูลมหายใจขยับมือไปแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงก็ค่อยรู้ทันตามรู้ไปเรื่อยๆะพอเราตามรู้ชำนิชำนาญจิตเราเผลอพิกคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะจิตมีปีติมีสุข จิตเป็นอุเบกขาจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆจนชำนาญพอชำนาญแล้วเราพร้อมนะที่จะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันตาเรามองเห็นคนเดินมาเห็นเพื่อนเรามาปุบ๊บมันดีใจเห็นเลยว่าดีใจนะนั่งอยู่คนเดียวเมือ่อเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอไปคิดละเพราเราเคยฝึกซ้อมจนเรารู้แล้วว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงนะ โ, โ, โลภโกรธลงเป็นยังไงฝึกซ้อมมาจากการที่ทํากรรมฐานอันแดหนึ่งนั่นเองนั่นเป็นเบื้องต้นทั้งหมดเลย ผ่านจากเบื้องต้นแล้วพอสติมันเกิดแล้วก็มาฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละเพราะวิปัสสนาเราทําเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเมื่อใจคิดของจริงมาอยู่ตรงนี้เองหัดเจริญสติอยู่ก็จะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเห็นแล้วขั้นสุดท้ายจะวางความคิดถือผิดลงไปวางกายก่อนนะกายวางง่ายค่อยไปวางจิตทีหลังวางจิตนยากที่สุดเลย วนักปฏิบัติจะรู้สึกเลยจิตที่รู้สึกตัวจิตที่รู้ตื่นนี่มันเบิกบานจิตชนิดนี้มีความสุขจิตที่หลงไปอยากจิตที่หลงไปยึดมีความทุกข์จิตมีสองอย่างมีสุขกับจิตที่ทุกข์ก็เลยอยากจะรักษาจิตที่สุขเอาไว้พยายามจะรู้สึกตัวพยายามดูจิตดูใจรักษาประคองไว้ถึงจุดหนึ่งสติปัญญาตามทันจริงๆตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆนะจะเห็นอย่างนี้น่าจะปล่อยว่า ไปบางแล้วมันก็พ้นทุกข์จริงๆโยบผู้ชายนี่มาจากไหนล่ะทุ่งมาครับขางแรกฟ้าจะมาพูดเดีอยวก็โง่นิยุ่งฝั่งพูดพูดเราวฝั่งยากนิดแต่โยบฝั่าไม่คุ้นใช่มันยากเพราะไม่คุ้นเท่านั้นนะจะมาเทียบให้ฟังนะเหมือนกก่อนนะเราไม่มีรถยนขับเห็นเขาขับรถรุดลาดรุดลาดรู้สึกขับรถนี่สบายนะ เราไปไหนเราก็เดินไปขึ้นรถเมล์ไปขึ้นแท็กซี่ไปเนะถ้าไปซื้อรถมามันจะสบายาไปซื้อรถมาคัน่อยพอขับวัดแรกนะก็เดินสบายกว่าทั้งเยอะนะ่เนี่ยมันจะลงถนนข้างเดียวนะจิต <c oughs> ใจนี่ก็เหมือนกันแต่เดิมไม่เคยฝึกเจริญสตินะเราเห็นครูบาอาจารย์ฝึกเจริญสติมีความสุขเนะี่ยเราอยากฝึกบ้างนะอ้ตุ่ปัดตุ่เปะขั้นแรก เวลาจับพวงมาลัรถยนวันแรกๆใครขับรถนึกออกไหมจับยังไงก็สายรถจะสายไปสายมาอนะไรเงี้ยใจเราก็เหมือนกันนะมันยากก็ไม่เคยพอมันคุ้นเคยแล้วมันก็ง่ายนะอย่างโยมผู้ชายท่านนี้ท่านพูดถูกต้องไม่คุ้นอนะ่ะไม่คุ้นมันก็เลยยากแล้วคุ้นเราก็ง่ายนะครับผมผมก็กกกมองอินเนียน่ยทางที่จ้าหน้าี่กันดีละโยมก็ว <c oughs> ่าว่าว่ามันลุทาง ผขออยากจะได้ความรู้ดูอย่างนึง่คือเพียงจับจิตได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตจะทํำงานเองการจับจิตไม่ไม่ใช่จับเลยนะนะหมายถึงการที่เราไปเห็นมันเข้าไปรู้ทันมันเข้านนเราไม่ไม่ได้จับนะไม่ได้ไปจับให้คนนิ่งนะอย่างจิตเรานั่งฟ่งาแตมาพูดโยมรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าแตา ม, มาแว บ, บหนึ่ง mm. เดี๋ยวก็ฟังฟังแล้วก็ไปคิดสลับไปเรื่อยๆเตอนนี้หนีไปคิดและเห็ mm. นไหม ถ้าเราเห็นนะเราจะเห็นเลยจิตนี้ทํางานทั้งวันเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็คิดนะพอทํางานแล้วเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลคราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลดรู้ไปสบายๆรู้อย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างสุขว่าเราอยู่บ้านแล้วเราเหงาเราก็เอลูกหลานมันไม่มาเยี่ยมคิดถึงลูกหลานเนี่ยคนทั่วๆไปไปคิดถึงลูกหลานลูกหลานไม่มาสักชั่วโมงหกก็มีเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติใจมันคิดถึงลูกหลานรู้ว่ามันคิดถึงไม่ห้ามมันนะ เราคิดถึงแล้วเขไม่มาโมโหโน้อยใจรู้ว่าน้อยใจเราดูใจของเราเราจะเห็นใจของเรานี่เปลี่ยนที่แรกใจของเราเฉยๆพอไปคิดนะก็ เ, เกิดความคิดถึงขึง้นมะาดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวคิดถึงไปนานๆ น, นะเปลี่ยนเป็นโมโหได้จะดูใจเขารุงของเขาไปด้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะไม่คงที่ จริงๆ ง, ง่ายนะโยม ง, ง่ายอย่างบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสมมุตินะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมววันนี้หมาไปเล่นโครนมาสกรปรกชักโมโหแล้วโมโหรูวโมโหเนี่ยวันนี้เรียกหมามาหมาก็วิ่งมากระโดดลดเต้นให้ดูรู้สึกสนุกเลยสนุกเรารู้ว่าสนุกอย่างนี้ยังได้เลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้นะอย่างเราอาจจะเลี้ยงเด็กๆก วันนี้เรียกลูกเรามากินข้าวหรือเรียกหลานมากินข้าวก็วิ่งมาอย่างดีเลยมากินป้อนแล้วเคี้ยวตุ้ยๆนะเราจะรู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดูนความรู้สึกน่ารักมันเกิดขึ้นมาอีกวันหนึ่งเรียกมาเขาไม่ค่อยจะมาโยเ ย, ยโยเ ย, ยนะเราก็ชักโมโหโมโหเรารู้ว่าโมโหใจเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้โมโหนะเนี่เคยรู้หรือเรียกมาวันนี้ก็วิ่งมาอย่างดีเลยเราก็ดีใจ ถ้าเอาข้าวใส่ปากแล้วไม่ยอมเคี้ยวเด็กหลาคนชอบเอาข้าวไปอมไม่เฉยๆแก้มตุยๆอมไหมเราจะรีบไปทำละแหน่ป้อนมาชั่วโมงยังไม่เสร็จชักมโมโหอีกแล้วความรู้สึกว่าลูกเราหน้าราักเรียกเราก็วิ่งมาเหายไปละกลายเป็นชักมโมโหแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนดูหนังดูละครก็ทําได้นะอย่างเราดูละครทีวีเห็นนางเอกสวยใจเราชอบเยใจเราชอบรู้ว่าชอบใจที่แรกเฉยๆ แต่พอนางเอกออกมานะใจเกิดความชอบขึ้นมานเห็นผู้ร้ายก็เกลียดมันความเกลียดเกิดขึ้นมาคอยรู้ลงไปนะดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองย้อนดูใจของเราอยู่ในชีวิตจริงๆก็ทำได้จริงๆก็คือเราทำนี้ปัสนาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อใจมันคิดนี่เองฉะนั้นอะไรก็ได้แต่ถ้าทางานที่ต้องคิดนะไม่ได้นะการโทษรมไม่ ไม่ไม่จังกะว่าไม่ต้องดูหนังไม่ต้องดูล้ครรูอไ ม, ไม่ได้ทุกอย่างยังเสร็จจังอ่คอยรู้ไว้นะคอยรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ไม่ไปบังคับให้ความรู้สึกนิ่งนะโยคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างบางคนนะจะดูหนังแล้วก็อยากปฏิบัติด้วยะถึงระวางฟอร์มอะไรทำใจให้ขึ้นก่อนสมาธิทำหน้าให้ดูนะขึ้นได้ที่แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์อย่างนี้เสียไปนะ ไม่มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเลยนะไว้จ้องไว้ก่อนแต่ถ้าเราจะปฏิบัตินะเราดูหนังอยู่อุ้ยหนังสนุกยังตื่นเต้นนะผู้ร้ายจะฆ่าพระเอกแล้วจะเชือดคอแล้วใจเราเส้นตุ้มตามขึม้นมารู้ทันเฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นในทีวีกับสิ่งที่เรามองเห็นจากโลกข้างนอกเนี่ยเท่าเทียมกันเป็นอันเดียวกันก็คือสิ่งที่ตามมองเห็นนั่นเองแต่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอุกฤษนะจะทําอย่างพระไม่ดูไม่ดูดละ ดูไปแล้วจิตใจอยากเกินไปถ้ามาค่อยรู้คอยดูใจของเราอย่างละเอียดอย่างประณีตคนลังงานนะคนรังงานถ้าอยากทําอย่ า, ยางค า, ารวะจะห้ามบอกไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้อย่างนูน้นไม่ให้อย่างนี้นะเดี๋ยวไม่หยอบปฏิบัติจะต้องอารุ้มารวยไปก่อนผมคิดว่าถ้าหากว่าเราดูหนังแล้วค่อยจับจิตเนี่ยความสนุกของหนังเนี่ยจะหมดว ท, ทันทีใช่ใช่ ไม่มีรสชาติเลยงั้นไม่ควรเสียสตางค์ถ้าไม่น่าเสียสตางค์ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่นะหรืออย่างบางคนนะจิตเนี่ยมันรู้อารมณ์เล็ครั้งและอย่างเดียวบางคนยอมลงทุนนะเสียเงินมากๆไปกินอาหารร้านนี้อร่อยแล้วก็แพงด้วยนะแล้วมีดนตรีให้ฟังด้วยมีนักร้องสวยด้วยนะพวกนี้ขัดทุนนะขณะที่ตั้งใจฟังนักร้องร้องหรือดูนักร้องอย่างเพลิดเพลินเนี่ยตักข้าวใส่ปากไปไม่รู้รสหรอก มันรู้ไม่ได้หรือขาดที่กำลังสนใจรถอาหารนี่นักร้องร้องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นไหมบริโภคได้ไม่เต็มกับสินค้าที่ซื้อมาขัดทุนนะอย่างนี้ขัดทุนโยมนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเหรอหมยพูดอย่างกับ น, นักเศรษฐศาสตร์นะดูแล้วไม่สนุกหรือไม่คุ้ม สมัตฐเนี่ยเราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะสมัตฐามีประโยชน์แต่ขนาดเดียวกันเหมือนเหมือนมีดสองคมค้าพลาดนะมันก็บาดเาราคือสมัตฐานเนี้ยมันติดง่ายนะสมัตฐานมีประโยชน์นะแต่ตั้งหลักให้ดีแยกให้ออกว่าอันไหนสมัตฐาอันไหนวิปัสนาเนี่ยเหมือนเราใช้มีดเป็นก็ไม่บาดเอานะเออไปฝึกได้ แต่ระวังนะกลุ่มเดียวกับหมอนัฐก็ไม่ใช่หมอนัฐนะพวกหมอนัฐเองมาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆหลวงพ่อต้องแคร์แต่หมอณัฐอนะ่ะหมอนัฐติดสมถะนะ <c oughs> เอางี้วิธีทําสมถะง่ายๆนะหัดพุดโทโธไปพุโทโธไม่ค่อยติดหรอกนะถ้าอย่างลมหายใจนี่ติดง่ายเพราะลมหายใจมันประนีตหายใจแล้วมันเคลิมมันสบายลืมเนื้อลืมตัวง่ายแล้วเราหัดพุดโทโธพุโทโธไป นะพุทธโธแล้วก็คอยรู้ใจไปอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้พุทโธพุทโธใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธนะใจทื่อๆนิ่งๆขึ้นมาก็รู้นะพุทโธแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลคอยรู้แต่ละวันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์อย่าละเลยไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งพุทโธไปนะพุทโธพุทโธเพื่ออะไรพุทโธเพื่อจะคอยรู้ใจตัวเองเป็นการฝึกซ้อมที่จะรู้ใจตัวเองนะอย่างนี้ก็อย่างดีนะปลอดภัยหน่อย ถ้าอย่างไปกําหนดลมหายใจมกักจะเคลิมลงไปริบหรี่ริบหรี่นะเราบอกว่าสงบจริงๆหลับในแต่ว่าสมถะดีนะสมถนะดีถ้าทําได้จิตรวมลงไปจิตสงบไม่ขาดสตินะถ้าขาดสติแล้วจิตเป็นอกุศลจิตที่มีกุศลจิตที่เป็นกุศลต้องมีสติเพราะงั้นอย่างเวลาจิตจะรวมนี่รวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่รวมแบบขาดสติลืมเนื้อลืมตัว เป็นส่วนมากที่ทำมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สัมมาสมาธนะิหรือขยับมืออย่างคุณหมอก็ได้นะคุณหมอสายหลวงพ่อเทียนนะคุณหมอกำปนะไปเรียนจากท่านก็ได้นะขยับขยับไปนะใจเราไปเพ่งก็รู้นะใจหนีไปคิดก็รู้ขยับแล้วก็คอยรู้ทันใจเลยถ้ารู้ทันใจตัวเองได้นะหลวงพ่อเตียนบอกนี่ได้ต้นทางแล้วแต่แล้วหลวงพ่อเตียนต่อท้ายนะบอกกันนะท่านสอนนี้บอกว่า ถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติมันกะ็จะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วท่านสอนต่อบอกว่าการดูจิตะเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดอันนี้สำหรับท่านนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่ซ้ำกั น, นใช่ใช่มันจาเป็นเวลาพูดเราต้องคิดใช่ไหมขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดก่อนจะพูดเนี่ย จดจ่อาการคิดไม่ใช่เวลาจเจริญสติแล้วอ่ามันต้องไปเลยอย่างนั้ น, ลนเลยเพราะงั้นพุทธเจ้าสอนเนี่ยหัดใหม่ๆท่า น, นบอกไม่ครุกคลีถ้าครุกคลีต้องพูดไงไม่ครุกคลีก็ได้ไม่ต้องพูดครุกคลีน้อยๆอ่าใช่ จริงๆเนี่ยเมื่อไรที่เราคิดเมื่อ น, นั้นเราจะไม่รู้สึกอย่างเวลาเราจะพูดเราต้องคิดก่อนใช่ไหมแบบวแ บ, บเดียวไงนะแต่ว่าพ อ, พอคิดเสร็จแล้วพอลงมือพูดนะเรารู้สึกรู้ว่ากาลังพูดอยู่เห็นปากมัน ง, งับมั ง, งับเนี่ยแต่เดี๋ยวพูดผิดได้นะอย่างนั้นนะไม่ว่าจับอารมณ์อะไรก็ชอบแช่โดยปากจี๋ เป็นมันแช่เป็นชินไงของคุณใจมันจะนิ่งนิ่งใจมันชอบเข้าไปนิ่งนิ่งไปแช่แช่ ด, ดีขึ้นแล้วดูออกไหมล่าดูตัวเองออกไหมสติมันไวขึ้นแล้วชใช่เป็นดีขึ้นละนะคือเรารู้สิ่งที่ผิดนะแล้วมันถูกเองสิ่งที่ผิดมากๆของคุณคือการเข้าไปแช่เพราะมันติดสมถนะเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์นิ่งนิ่งนานๆ เรารู้ทันใช่ไหมมันก็ดีขึ้นอย่างนี้หนีไปคิดทราบไหมอย่างนี้หัดรู้ไปอย่างนี้แต่ถ้าเราอยู่กับโลกเราต้องไปคิดนะคิดให้รู้เรื่องเวลาเราทํามาหากินทํางานที่ต้องคิดเวลาเราเรียนหนังสือที่ต้องคิดอันนี้ไม่ใช่เวลาจเจริญสติแต่พอเราคิดคิดไปแล้วเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลนากุศ ล, ล, ลเราก็ค่อยมีสติรู้เอาเช่นเราทํางานเราคุยกับคนหนึ่งคุยกับลูกค้า ตอนนี้มีหน้าที่คุยกับลูกค้าไม่ใช่มีหน้าที่เจริญสติตั้งอกตั้งใจคุยกับลูกค้าไปให้เขาซื้อของได้ได้นะตั้งใจไปหรือเสนอสิ่งดีๆให้เขาอนะไรอเงี้ยตั้งใจแต่พอลูกค้าไม่ยอย่าเมานะโยเยกวนกระสร่าเราชักโมโหแล้วโมโหรั่วโมโ ห, โมโหนี่เป็นเวลาปฏิบัติแล้วนะพอความโมโหหายแวบไปใจเย็นๆพุยกับเขาใหม่นะทําหน้าที่ของเราไป ไม่ต้องประคองมากนะประคองเป็นส่วนเกินเผลอแล้วรีบรู้ให้ไหวๆนี่มันจะรู้ได้ไวถ้าเราเคยฝึกเคยฝึกจะรูนะ้เช่นเราหัดพุทโธพุทโธใจหนีไปก็รู้หรือดูท้องของยุคไปใจหนีไปก็คอยรู้ใจไปเพ่งก็รู้การฝึกซ้อมดูใจเรื่อยๆต่อไปพอมันเผลอนั้นจะเห็นเองไม่ต้องกลัวนะอย่ากลัว ไปถึงเย็นเลยไม่ไหวแค่หัดไปนะดีขึ้นแล้วละ่นะถ้ายังประครองอยู่ก็ยังเหนื่อยอยู่ยังทุกข์อยู่ได้ได้หลวงพ่อใจดี <S 2> <S 2> ไหมไม่ห้ามหรอกจะทำอะไรก็ทำาเลยนะทำไปแต่ว่าก็ให้รู้ว่าเราประครองอยู่นะปะครองเรารู้ว่าประครองอีกหน่อ ย, นยมันก็เลิกไปเองแหละใช้ได้ จริงๆเห็นไหมกรรมฐานนะถ้าเข้าใจหลักนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดคล้ายๆวิชานินจานะวิชานินจ่าบอกว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างรับๆตัวนี่แหละเป็นอาวุธได้หมดเลยกรรมฐานเราใช้อะไรก็ได้ให้คอยรู้กายรู้ใจก็ใช้ได้หมดเลยเม่อไงคุณน้องเออมัลืมไปเลย มันเกิดแล้วมันดับให้ดูอย่าไปเสียดายมันแต่ว่าหลวงพ่อถึงบอกไงถ้าเวลาทำงานนะนะอย่าไปดูมันนะเวลาทำงานไม่ใช่เวลาจเจริญสติแต่สมมติเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยไปนะตั้งใจพูดให้รู้เรื่องตั้งใจคิดไปนะแต่พอคุยไปแล้วเขาขัดคอเราละโมโหแนละ้วค่อยรู้ว่าโมโหเนี่ยค่อยปฏิบัติ ต, ตอนนีนะ้เหมือนหลวงพ่อเมื่อก่อนทาราชการนะ วันนี้อยากจะรีบเขียนหนังสือให้เสร็จจะทำเระอร์สักชิ้นหนึ่งรีบเรียบอยู่แหโทรศัพท์มาลครั้ทงที่หนึ่งก็พอทนนะพอวางพวกใหม่อีกแล้วชักจะโมโหแล้วโนะมโหรู้ว่าโมโหนั่นหรือเราเข้าที่ประชุมนะไปดีเฟนเอกสารเราอะไรเงี้ยวันนี้ที่ประชุมแหมเชื่อฟังเราดีเราก็สบายใจรู้ว่าสบายใจ วันนี้มีแต่คนค้านเต็มไปหมดเลยว่านู่นว่านี่สีนู่นสีนี่นะชักจะโมโหแล้วรู้ว่าโมโหนี่ค่อยรู้เอาแต่เวลาทำงานที่ต้องคิดต้องตั้งใจคิดนะคิดให้เป็นระบบคิดเป็นระเบียบมันเป็นธรรมชาติเลยทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะความคิดจะดับนะเพราะรู้ก็คิดนะสัตรูกันทันทีที่รู้ว่าคิดความคิดก็จะดับไปเลย เนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมมันหนีง่ายง่ายอย่างนี้เองคุณแววดีขึ้นเยอะแล้วแววอ้าวปรีชากัหลับเป็นไงหลับใช่ไหมหเออนหนที่จำสับคนเรืเลยเออดีดหลวงพ่อชอบรู้สึกกิเลสเยอะดี เออืมหาไม่ถูกหรอกมันวัดความก้าวหน้าไม่ได้ไงเพราะว่าตลอดชีวิตนะมันก็มีดีกับไม่ดีไปเรื่อยๆ เ, เราวัดดูตัวด้วยตัวนี้ดูว่าสติของเราเกิดเร็วขึ้นไหมนะสติเกิดเร็วขึ้นไหมปัญญาเราแหลมคมขึ้นไหมปัญญาแหลมคมนี่นหมญญายถึงว่า ม, มันมีหน้าที่ตัดนะปัญญา เส้นกิเลสเกิดแล้วปัญญาะระลึกสติะระลึกปุปัญญาตันเนีลยกิเลสดับวบักเลยเออย่างนี้เราไหวขึ้นนะหรือเคยเผลอยาวๆเผลอว่าละาสามชั่วโมงแล้วค่อยรู้ตัวทีหนึ่งวันนี้เผลอสองชั่วโมงก็รู้ทีหนึ่งเนี่ยอย่างนี้พัฒนาขึ้นนะเรดูว่าสติเกิดบ่อยไหมเราไม่ดูที่อาการหรอกนะเพราะขนาดที่ว่าจิตมีกิเลสเกิดขึ้นเ่ย ถ้าสติเราตามรู้ตามหลังไปติดติดน่กิเลสไหวแวบสติรู้ไหวแวบสติรู้วันนั้นอะภาวนาดีนะทั้้งๆที่กิเลสเยอะส่วนวันนี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนุ่มนวลนะแล้วเผลอเลอเพลินเลกับความสุขอันนี้นะใช้ไม่ได้เลยนะอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นริศเป็นไงนริศปรชาดีแล้วล่ะปรีชาใช้ได้นะยังติดประคองไว้นิดเดียว เอออย่างนี้สิอย่างเนี้ยเรียกว่าก้าวหน้านะตัวอยตัวลตัวราคตัวรู้สึกาเนี่ยคือบางทีมันมันมีอาการกับโทพทเออใช่มันตรงข้ามกันนะราคาเนี่ยมันจะดึงดูดเข้ามาอยากได้มานะโทรศัพอยากจะผลักออกไปตรงข้ามกันโทรศัดูง่ายโทรศาอยากราคาดูยากกว่าโทรศัพ โมหะดูยากที่สุดเลยเพั้นหลวงพ่อถึงมาเน้นตรงโมหะนะถ้าใครเข้าใจตรงโมหะตรงที่เผลอที่หลงนะแล้วตัวอื่นง่ายหมดเลยนะราคาโทวสะวมันตามหลังโมหะมาอีกทีอย่างเนี้ยมันหลงอย่างเนี้ยมันหนีไปอย่างเนี้ย <c oughs> เรียกเรียก <c oughs> เรารู้ว่ากระโจนใส่ไงตรงนั้นแหละดีตรงนั้นแหละ ดีตรงที่รู้ทันนั่นแหละไม่ใช่ดีตรงที่โลภนะดีตรงที่รู้ทันจิตตนเองนะดีไม่ดีอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นะไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่กุศลหรืออกุศลนะผมอยากเรียนถามส่านที่เขาบอกว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยู่ในระดับที่ต้องอาฆาตจองวินแล้วบอกนั่นคือมีโลภเข้าไปซ้อนใส จริงไหมครับแกไม่ทราบเหมือนกันนะยกไปดูออกว่าแล้วกันไปดูเอาการไม่ทราบแล้วลูกศิษย์จะทราบได้เอาลูกศิษย์ไปสังเกตเอานะไปสังเกตเอาก็บอกว่ามันหูหแหนความปวจริงจะได้ก็อาฆาตจองเวนราะโลภามันก็แคือคือเราปฏิบัตินะเราไม่อยาไปคิดเยอะอาฆาตรู้ว่าอาฆาตจองเวนรู้ว่าจองเวนดูลงปัจจุบันไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกถ้าวิเคราะห์เยอะนะไม่จำเป็นอ่าเราดูของจริง ถ้าพอวิเคราะห์เนี่ยเราเอาความคิดเข้าไปเจือแล้วพอเจือด้วยความคิดเนี่ยเราจะตกจากวิปัสนาลนะงั้นตัวสําคัญเลยอาตมาอยากฝากให้โยมก็คือโยมคอยรู้อารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอาฆาตรู้ว่าอาฆาตเราไม่ได้เรียนแบบเรียนอภิธรรมนะถ้าเราอยากรู้อยเราไปเปิดตาราที่ทำเราจะพบเลยว่าแต่ลักษณะจิตเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกจานวนมากนะอย่างมันจะอาฆาตขึ้นมาเนี่ยใจมันยังพอใจในอารมณ์นั้นอยู่ พอใจที่จะโกรธพอใจที่อาฆาตเนี่ยเาบอกแมมราคะเจืออะไรอย่างี้อันนี้ไปพูดในทางคฤษฎีเราดูจากของจริงของจริงเราจะไม่รู้อะไรละเอียดลึกซึ้งขนาดนั้นอย่างขนาดภาษาริบุตรเนี่ยยังรู้สภาวะได้ไม่หมดอย่างสภาวะอย่างเจตสิกที่ประกอบกต่จิตแต่ละดวงพอจิตบางชนิดเนี่ยภาษาริบุตรยังรู้ไม่ได้ รู้ได้ไม่ทั่วถึงมีแต่พระพุทธเจ้ารู้ได้เดียของเราเป็นสาวกนะชั้นปลายแถวเลยรุ่นพวกเรายิ่งรู้ได้น้อยใหญ่น ะ, ะไม่ต้องแย้แยะแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้พอเราละแค่นี้เอาตัวรอดละวิธีที่จะาต้องกันเวลาพวกเราพระบนี่กราบสามครั้ง พ, พระพุทธธรรมประสงค์แต่ไม่ได้การาบเพราะมีผู้หญิงสวยโผล่มาให้กราบอมอย่างที่แค่คนที่ผมเกียเกียดผล เนี่ยมันเพราะอะไรแล้วกแก่ยัง ไ, ไม่แก้มันสอนธรรมะเราใช่ไหมสัญญามันจะผุดขึ้นมาห้ามมันไม่ได้นะก็ไว่ายไปทุกครั้งก็เจ็อย่างนี้ทุกครั้งไม่เป็นไรช่างมันเราไหวพระนะส่วนใจใเราเนี่ยรู้สึกไหมบังคับไม่ได้ใช่รับรู้ครั บ, รรบเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตของเราเป็นของบังคับไม่ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้ได้ตรงนี้จะได้ปัญญา ปัญญาตัวนี้ได้บุญเยอะกว่ากราบพระอีกนะกานที่เราจะกราบสัพพุทธ เ, ธเจ้าแนละ้วเราลงไปกาไราบใหญ่คนนี้มันโอยละชักโมโหเหมัอนลนะแล้เวเพราะผมเคยอ่านหนังสือของท่านอาจารย์มีอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าถ้าเพื่อทําสตินี่คือวิปัสสนาทำไม่ได้ก็ลดลงมาขั้นหนึ่งคือทําสมาธิเสียอืผมก็รู้สึกสมาธิผมก็ทําได้ยากก็คงจะมาทานศีลภาวนาเนี่ไอ้ะทานศีล เอายิ้มโยมเอาเอาอย่างง่ายๆเลยรู้สึกไหมตอนเนี้สบายใจรู้สึกว่างไหมรู้สึกไหมมันสบายใจรู้นะเนี่ยสบายใจรู้ว่าสบายใจโยมรู้สึกไหมความสบายใจเนี่ยเริ่มลดลงแล้วเริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกไปลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติละเรียกว่าวิปัสสนาตอนที่รู้ว่าความสุขมันจะหายไปแล้วนี่ก็รู้ว่ากําลังตรณีอยู่นี่แหละโลภะละ อยากจะเอาไว้นะเขาเข้าใจไห้ยอมดูอย่างที่อาตมาพาดูเมื่อกี้นะความรู้สึกเราแบบเปลี่ยนะเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งจะเห็นเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิงนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยดูจากของจริงคุณ่อคะคุณ่ีห้คุพ่ออธิบายถึงสนะคะเรื่องให้ดูนะที่โพไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอารมณ์ในใมันเหมืนกัท่ออ่ะใช่เป็นท่องเราคิดเรา พุทโธพุทโธไปเวลาโมโหก็พุทโธไวๆเลยพุทโธพุทโธพุทโธในเวลาสบายใจมันก็จะพุทโธช้าๆอันั้นเรื่องของสมถะนะนี้เราเอาสมถะมาเป็นเป็นเหยื่อล่อก็ได้นะพุทโธพุทโธแล้วใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วใจไปเพ่งก็รู้นะใจเป็นยังไงก็ค่อยรู้พุทโธแล้วมารู้ที่ใจเราเหมือนเราท่องในชีวิตประจำวันเดินไปเดินมาแล้วก็เหมืนเอาเป็นตัวที่ปัจจุบั เป็นเป็นเครื่องช่วยไม่ใช่ตัววิาาปัสนาเมืนจะเป็นตัวล่ อ, เ, อเป็นตัวล่อเพื่อจะได้ดูจิตใจตนเองการที่เราเห็นจิตใจตนเองเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นวิปัสนาวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่รู้พุดทโธทนี่เอาพุดโธมาเป็นตัวล่อแต่ครูบาอาจารย์บางท่า น, ท, านท่านก็สอนอย่างนั้นท่านสอนให้บริกรรมกำกับไว้อย่างท่านอาจารย์มหาบัวเขาจะให้กำกับบริกรรมกำกับไปเรื่อยๆไม่ไม่จะยังไงก็ได้ อะไรก็ได้กรรมาฐานอะ่ะแต่ว่าจะไปรู้ลมหายใจก็ได้จะพุโทโธแล้วก็หายใจก็ได้แต่ล้าพุโทโธอันเดียวก็ได้แต่ว่าที่สําคัญก็คืออย่าให้ขาดสติต้องมีสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะจะหายใจก็รู้สึกไปจะพุโทโธก็รู้สึกไปไม่ให้เคลิมเลิมงอกแง้งอกแ ง, ก ง, อกงก้อย่างนั้นไม่เอานะคือเยนการบิขคว้งว่าเราอากจะ น, น, นิ่งทาคน ยินทายอย่างรู้สึกตัวนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะมันคล้ายๆเราจะเชื่อดคอใข่สักคนแล้เชื่อดย่างรู้สึกตัวยังไม่ได้ะขนาดนั้นอกุศลกําลังครอบงําจิตอยู่นะเพราะอากุศลครอบงาจิตไม่เรียกว่ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวเนี่ยอกุศลครอบงําไม่ได้นะอเชิญกลับบ้านนะ